ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยเราจะมาฝึกทำสมาธิกันสั้นๆ ส, สัก5้านาที10นาทีแล้วก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของ สิ่งที่จะทําให้เกิดปัญญาวิธีการที่เราจะฝึกลับคมปัญญาวุฒิของเราก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจในเรื่องนั้นมาฝึกทําจิตให้มีความสงกบกันสักครู่หนึ่งวันนี้เราจะมาเจริญอนัตตาสัญญาคือการพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนของสิ่งต่างๆ เริ่มจากการมาตั้งสติไว้ก่อนท่านผู้ฟังในที่นี้เรามาตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาลมหายใจของเราเป็นเหมือนกับป้อมยามที่เราเข้าไปอยู่ในป้อมนั้นคอยสังเกตดูคนเข้าคนออกที่ผ่านมาตามทางเข้าทางออก นั่นคือสังเกตเสียงที่ผ่านทางหูสังเกตดูความคิดนึกผ่านมาทางช่องทางใจถ้าลืมตาอยู่เห็นสิ่งใดๆสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผ่านมาทางตาเห็นด้วยตาหรือถ้ามีกลิ่นมากระทบจมูกก็สังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปในความที่ว่ามาจากไหนใครทํา หรือไม่ตามไปในความที่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไปหรือไม่ตามไปในความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่เข้าที่ออกทางช่องต่างนั้นนั้นแต่แค่เพียงสังเกตดูเฉยๆการที่เราสังเกตดูเฉยๆนั่นคือสติดูเฉยๆรู้เฉยๆรู้ในที่นี้คือระลึกรู้รู้ในที่นี้คือมีวิญญาณในการรับรู้ แล้วไม่ตามไปตามความสุขหรือทุกข์ต่างๆเหล่านั้นเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ความจริงของสิ่งต่างๆให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนปัญญาเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นตรงที่เราคอยสังเกตดูว่ามันมีอะไรบ้างสังเกตดูสิ่งที่ผ่านเข้าผ่านออกนี่แหละท่าู้ฟัง สังเกตดูตามความเป็นจริงของมันไม่ไปตามความชอบหรือความชังไม่ไปตามเหตุหรือผลไม่ไปตามเรื่องราวที่ปรุงแต่งแต่แค่รับรู้แล้วสังเกตดูเฉยเสังเกตดูแล้วเราจะเห็นอะไรสังเกตดูซี่เราจะเห็นอะไรเราจะเห็นความจริงอไงดูวังความจริงของอะไร เดินเรามาสังเกตดูกายของเรานี้เหรดูกายของเรานี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเซลล์ต่างๆถามว่าตัวเราเนี่ยมันตรงไหนล่ะถ้าอย่างนั้นอะเซลล์นี้คือตัวเราเหรอหรือว่าเซลล์เลือดคือตัวเราเหรอหรือว่าเซลล์สมองคือตัวเราเหรอหรือว่าเซลล์ตับเซลล์หัวใจคือตัวเราเหรอือเปล่าไปดูที่เซลล์นั้นมันก็ไม่นด้มีความคิดเป็นของตนนะ มันก็แยกส่วนของเขาไปทำหน้าที่ของเขาตามสิ่งที่มากระตุน้นเห้แต่ทำไมพอมาประกอบกันแล้วหัวใจประกอบเข้ากันกับปอดเข้ากันกับหลอดเลือด้ากลายเป็นหนระบบเลือดขึ้นมากระเพาะประกอบกันเข้ากับตับประกอบกันเข้ากับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ประกอบกันเข้ากับปากก็เป็นระบบทางเดินอาหาร มีระบบทางเดินหายใจมีระบบน้ำเหลืองให้ยประกรมเรียนขึ้นเป็นคนนะมีสมองด้วยเพออเราจึงรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาไอ้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งมีขึ้นมาในภายหลังจากการประกอบกันของสิ่งต่างๆไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกไงด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกเพราะแต่ละส่วนละส่วนมันแยกกันอยู่แต่พอประกอบกันขึ้นแล้วปุ๊บ กลายเป็นอั้นใหม่ขึ้นมากลายเป็นมีอีกสิ่งใหม่ขึ้นมาตรงนี้ท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่าการปรุงแต่งให้มีการสําเร็จรูปขึ้นมาลาักษณะปัญญาก็เป็นการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปขึ้นมาลักษณะความเป็นตัวตนก็มีการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปขึ้นมาสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าปัญญานั้นจะทําให้เราสามารถละความยึดถือได้ สิ่งปรุงแต่งที่ทำให้ละความยึดถือได้อ๋อดีนะต่นจึงจัดไว้อยู่ในหมวดของมรรคอยู่ในหมวดของทางแต่ถ้าสิ่งปรุงแต่งอะไรแล้วทำให้เกิดความยึดถือมากขึ้นทาให้เกิดมีอคุสุลธรรมเพิ่มเติมโอ้นั้นไม่ดีนั่นเป็นส่วนของตัณหาอย่าไปทำมันให้มากอย่าไปปรุงแต่งมันแต่การปรุงแต่งที่เราเห็นพิจารณาแยกออกมาแล้วเห็นโดยรวม คือไม่จช่กค่วายแยกแยะแล้วทำให้ไม่เห็นโดยรวมคือการวิเคราะห์เนี่ยหมายถึงการแยกแยะวิเคราะห์แยกแยะแล้วให้เห็นภาพรวมด้วยนั่นคือด้วยปัญญาถ้าวิเคราะห์แยกแยะแล้วไม่เห็นภาพรวมนั่นคือยังไม่เกิดปัญญาเรามาทำให้เกิดปัญญาโดยการพิจารณาอนัตตาแยกแยะออกแล้วให้เห็นภาพรวมว่าที่มีภาพรวมปรากฏขึ้นภายหลัง ไม่ว่าจะรถยนต์เรียกว่ารถยนต์ไม่ใช่เพราะว่ามีล้อมียางมีเครื่องยนต์แต่ละส่วนนั้นไม่ได้เรียกว่ารถยนต์แต่ประกอบกันแล้วเรียกภายหลังว่ารถยนต์ร่างกายของคนเราประกอบจากเซลล์ประกอบจากอวัยวะจึงตั้งชื่อมาว่านายนี้นางนี้เด็กชายเด็กหญิงนี้และนี้นั่นเรียกมาภายหลังเพราะสิ่งประกอบกันนั้นขึ้นมา แแยกส่วนออกมาแล้วไม่มีอะไรประกอบกันขึ้นมาแล้วจึงมีอะไรการเห็นการประกอบขึ้นมาแล้วมีอะไรด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตาปัญญา น, นั่นนะคือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาอนัตตาจึงปรากฏ อ, อยู่นาะที่ตรงที่มันประกอบนั่นแหละประกอบรวมกันแล้วเห็นด้วยปัญญาว่านี้คืออนัตตานั่นคือปัญญา ปัญญาเองก็เกิดขึ้นนะตรงจุดที่ประกอบกันนั้นจากสิ่งต่างๆนั้นเหมือนกันที่เราจะเห็นได้ยังไงนะตั้งสติขึ้นให้เรามีสติอุคลมหมายใจพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแยกส่วนออกแล้วให้เห็นโดยรวมไม่ใช่แค่โดยในรายละเอียดแต่ละส่วนๆเห็นโดยรวมด้วยแล้วสติที่เราตั้งขึ้นนั้นจะทําให้เกิดสมาธิจะไำให้เกิด ปัญญาได้ให้เรารักษาความสงบนี้เอาไว้ให้ดีเอาละต่มฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะประเด็นหรือทอปิก ที่พระพุทธเจ้าบางครั้งท่านยกขึ้นเป็นการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจงแจ ง, แงปรารภคำถามของพราหมบ้างของภิกษุบ้างปรารภเหตุการณ์ที่ภิกษุนั้นคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างปรารภสถานการอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างท่านเรียกหัวข้อต่างๆเหล่านี้ว่ามาติกา คือแม่บทที่เราต้องมีการศึกษาแม่บทนั้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่ท่านบัญญัติขึ้นแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกออกมาให้เกิดอะไรให้เกิดความเข้าใจให้เกิดปัญญาให้เป็นเส้นทางเพราะว่าสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นคำถามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นผ่านมา ท, งทางตางหูจมูกลิ้นกายใจ นี่เป็นกระแสเติมฟังเป็นกระแสของโลกใช่ไหมล่ะกระแสของโลกบางทีมันก็จะพัดให้เราออกนอกลู่นอกทางออกนอกทางแล้วมีปัญหาอะไรปรัญหามันก็คือมันก็เจ็บตัวออกนอกทางมักแปดมันก็เจอความทุกข์มากไปที่ที่ไม่ควรไปเป็นกับดักของมานแต่ถ้าอยู่ในลู่ในร่องในรอย ที่มีองค์ประกอบมันบริเซร์ดแอย่างมันก็สบายอยู่ในร่องในรอยนี้สามารถคิดนอกกรอบได้คิดนอกกรอบหมายถึง think out of the box เพื่ออะไรเกิดความคิดสร้างสารรค์บ้างที่เป็นสมารถที่มีการคิดค้นประดิษ์สิ่งต่างๆได้เพราะไอเดียจิตใจที่มีความสงบซึ่งเป็นองค์ประกอบของร่องรอยลู่ทางในมัดแนั่นเอง พระเจ้าจึงจัดในทุกบรรพุทธให้เป็นช่วงที่เราจะมาศึกษาหัวข้อแม่บทต่างๆเหล่านี้โดยก็แบ่งเป็นการทำสมาธิสั้นๆสักครู่หนึ่ง5นาทีบ้าง10นาทีบ้างแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มพลิบทแล้วก็จะพิจนารณาถึงการที่มีส่วนใดที่มันจะเชื่อมโยงไปในธรรมอื่นๆ สามารถนําไปแอพพลายใช้ปรับในชีวิตประจําวันเหงื่อไรในช่วงสัปดาห์นี้ทุ่มฝังเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงหัวข้อเรื่องที่ว่าปัญญาวุฒิได้แก่อาวุธคือปัญญาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของสมการชีวิตชีวิตประจําวันหรือว่าเราใช้อาวุธคือปัญญาของเราไปนในการทํามาหากินก็ได้นะเป็ น, นการโกงคนก็ได้ เปนในการเบียดเบียนก็ได้ทำประโยชน์ก็ได้ให้เราเลือกให้ถูกตัวอย่างเคสต่างๆก็ยกมาให้เจาะจงลงมาในช่วงของจิตวิเวกการที่จะเอาปัญญาไปชําไรกิเลสเนี่ยทำยังไงหูดเจาะจงไปเลยทั้งชั่วโมงทำจิตให้มีความสงบกำจัดกิเลสออกไปจากในจิตใจของเราจนในวันนี้ อยากจะมาทบทวนในข้อดีว่าปัญญาวุฒิได้แก่อาวุธคือปัญญานั้นจะทาให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะสั่งสมอาวุธคือปัญญาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญญาวุฒิพระบรุตรเจาอธิบายไว้ในข้อนี้อย่างไรอย่างไรเรามาตามความเข้าใจกันในวันนี้เหมือนอย่างเวลาที่เราสร้างบ้าน สร้างเรือนหรือประเทศก็ตามตอนสมัยที่ประเทศไทยย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่กรุงเทพก่อนหน้านั้นก็ไปกรุงธนบุรีเขาก็ต้องมีการสร้างบ้านแปลงเมืองปรับเปลี่ยนจากพื้นที่แบบหนึ่งให้เป็นพระนครให้พร้อมที่จะมีคนมาอยู่อาศัยการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้น แน่อนอนว่าจะต้องมีการสะสมกำลังคนมีการวางแผนมีการคิดล่วงหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเราต้องการสะสมอาวุธคือปัญญาเราก็ต้องมีการคิดล่วงหน้ามีการวางแผนมีการเตรียมการอะไรเป็นคุณธรรมที่จะช่วยสนับสนุนในการสร้างปัญญาวุธนี้เป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ และแรกท่านผู้ฟังท่านเปรยียบปัญญาไว้กับความคมของมีดหรืออาวุธเพราะฉะนั้นอาวุธของเราที่ว่ามันจะเอาไปใช้งานเครื่องมืออะไรต่างๆมันต้องมีความคมความคมนั้นคือปัญญาเราจะความคมแล้วต้องมีความแข็งแรงความแข็งแรงนั้นคือสมาธิเราจะทําอาวุธ เรื่องมือของเราให้มีความคมคุณก็ต้องเอาไปลับใช่ไหมลับมีดเนี่ยนะเวลาเอามีดไปลับกับหินลับมีดมันก็ต้องมีมุมองศาที่เหมาะสมคือมีเชาวาบอาคมมีด9กสิบองศาไปใส่กันกับหินลับมีดเลยโอ้ยมีก็ถื่อเลยล่ะมีก็เสียเลยก็ต้องรู้จักวิธีลับวิธีทำมีดให้เหมือนคมโดยการใช้หินลับมีด ประการที่สองคือเวลารับไปเวลาฝนไปมันต้องฝนเป็นจังวะต้องฝนทำอยู่เรื่อยๆคือมีการฝนมีการตรวจมีการฝนมีการตรวจทำไปทำไปซ้ำไปซ้ำไ ป, ำไปด้วยกระบวนการแบบหนึ่งทำตามกระบวนการไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำไป มันก็จะมีความคมขึ้นมาได้ลักษณะที่ว่าทาตามกระบวนการนี่มันคือเป็น process เป็นขั้นตอนเป็น pattern เป็น pattern เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ซ้ำได้วนได้สมมุติจาก step ห1มา step ส2มา step ส 3, มา step ส 4, มา step ห5แล้วก็กลับไป step หนึ่งอีกจนถึง step ห5วนกลับไปหนึ่งอีกวนไปวนไปวนไปอย่างนี้ อันนี้ลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นเป็นขั้นตอนวนไปวนมาได้การรับมีดถึงจะคมขึ้นมาได้กระบวนการการลับมีดนี้คพับเะยายกขึ้นเป็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกับปัญญาวุฒิของเราว่าจิตใจของเราจะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดปัญญานี้นคือความคมให้จิตใจของเรามีปัญญาคือความคม เราต้องเห็นแพทเทิร์นเห็นกระบวนการเห็นขั้นตอนต่นตางๆพัจลามาแบบนี้และประการที่สามคือความคมของมีดเนี่ยทุผู้ฟังมันก็ต้องอยู่ที่ตรงคมของเขาคือด้านเนี้ยด้านที่คมมีคมเนี่ยมันจะต้องอยู่กับโครงของมีดคือตัวมีดสมมติว่าถ้าเราเหมือนดูมีดหั่นหมูอย่างเงี้ยนะ มันจะมีด้านสันมีดแล้วก็ด้านที่เป็นคมใช่ไหมด้านที่เป็นคมความคมเนี่ยเราเปรียบกับปัญญาใช่จะต้องมีด้ามมีสันมีดมีตัวมีดแล้วก็ด้านที่เป็นคมด้านที่มีคมมันทื่อนึ่งก็คือมีดทื่อด้านที่มีคมมันคมมากหนั่งคือมีปัญญาสูงตรงตัวมีดสันมีด ด้ามมีดเหล่านี้คือเป็นจุดที่ว่าคมมีดเขาจะไปเกาะอยู่ด้านที่เป็นคมมันต้องอาศัยอย่างอื่นถึงจะอยู่ได้เช่นเดียวกันว่าปัญญาที่ว่าเป็นอันดับสูงสุดนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่มาประกอบกันที่ว่าเป็นตัวหนุนถ้าว่าจะมีปัญญาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นบนสิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นคืออะไรเติมอธิบายไว้ถึงเวสารัชชกรลนธรรม ได้แก่ธรรมะที่ทําความกลา้าคุณธรรมที่จะทําความแกกลา้าคุณจะเอาคมมีดไปใช้งานคุณจะฟันลงไปเนี่ยนักรบจะเอาไปสู้รบคุณมีอาวุธแล้วคุณจะกล้าใช้อาวุธที่มันคมๆนี้ไหมจะสามารถทํากิจการงานตามที่ได้รับสั่งมาได้หรือไม่อันนี้ต้องมีความกล้าไง จะมีความกล้าแล้วใช้อะไรเป็นอาวุธก็ได้หมดนะเวชารัชกรณธรรมจึงเป็นธรรมะที่จะใกล้กันกับความคมคือปัญญามากที่สุดเราจะมีความกล้าได้ในการที่จะเสริมให้เกิดปัญญาได้จะมีปัญญาใช่หมต้องมีความกล้านะความกล้านี้คือความเพียร น, นั่นเอง ความกล้าความเพียรคือวิริยะบางทีท่านก็ใช้ศัพท์ว่าเวสาราชกันณธรรมธรรมะอันจะทําความกล้าให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสมาธิเดี๋ยวเราก็ว่ากันไปทีละข้อเอาเรื่องความกล้าก่อนเวสาราชกันณธรรมธรรมะกะนณะคือกระทําให้เกิดซึ่งเวสาราชคือความกล้า อะไรจะทำให้เรามีความกล้าที่จะเป็นตัวเสริมให้เกิดปัญญาได้ท่จนจานแจกแจงไว้5ประการท่านฟัง1คือ1ศรัท ธ, ธาเราหัวข้อก่อนนะท่านฟังเดี๋ยวจะมาอธิบายในแต่ละประการแต่ละประการประการแรกคือศรัท ธ, ธาประการที่สองคือศีลประการที่สคือพระหุสัจจะประการที่4ี่คือการปรารบความเพียน และประการที่5คือปัญญา5ประการนี้ประกอบกันแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความกล้าความกล้าไม่ได้หมายถึงไม่กลัวแต่กลัวนั่นแหละก็ลงมือทำอยู่ดีทำไมถึงจะลงมือทําได้ทำไมถึงจะมีความกล้าได้ทั้งดังที่ว่าอาจจะมีความกลัวอยู่หนึ่งสัทธาหมายถึงอะไร หมายถึงความมั่นใจหมายถึงความเชื่อใจหมายถึงความลงใจหมายถึงความเลื่อมใสหมายถึงศรัทธานั่นเองคือความเชื่อความมั่นใจความลงใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงๆนะความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการทีว่าสิ่งที่ท่านสอนไว้เนี่ยสามารถทำให้เกิดการตรัสรู้ได้จริงๆนะ คือจะบอกว่าท่านทำก็ได้คนเดียวแล้วคนอื่นทำไม่ได้มันก็เด้มีแต่ข้อแรกคนเดียวอย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าคำสอนที่ําไม่ถึงนั้นมันมีอยู่นะหนึ่งคือประธรรมไงเราก็ไม่ใช่ว่าท่านทำได้คนเดียวทำตามคำสอนนี้เราท่านกับบรรลุแต่คนอื่นที่เขาทำได้ก็มีนะหนึ่งคือความเชื่อความเลื่อมใสความมั่นใจลงใจศรัทธาในสงฆ์ในสังโค คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือไม่ใช่ว่าหมูท่ทั่วๆไปเราหมายถึงเอาหมู่ที่บรรลุธรรมอ่ะหมู่ที่เขาทําตามธรรมะนั่นคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนสาวกะสาวกนี่คือผู้ฟังคําสอนก็จึงเรียกว่าสาวกสังโฆเราก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระวา่า ก็จึงเรียกว่าเป็นภระกวะตโตสาวกะสังโคเราก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคนที่ว่าโอ๊ยยอยอแยะแ ย, ะยะไม่มีความเพียรทำไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่แต่หมายเอาเฉพาะมาในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิปัตชอบด้วยก็จึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปโนพะกวะตโตสาวกะสังโค เมีสธานในพุทธะธรมโมสังโฆเพราะมีความมั่นใจในสามข้อนี้ข้าพเจ้าเกิดบายไว้ในตอนก่อนๆเลยว่าสธานเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความที่ว่าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความสำเร็จขึ้นมาได้ไม่ว่าคุณจะขี่จักรยานขับรถทำการงานเรียนนั่งสือหรืออะไรก็ถาม ถ้าไม่มีศรัทธาเต็มไปไม่ได้เลยศรัทธานี่จึงเป็นหนึ่งในคุณธรรมห้าบุรการที่จะทำให้เราเกิดมีความกล้าขึ้นมาได้คือกล้าก็ต้องตรงกันข้ามกันกับกลัวนะคมก็ต้องตรงกันข้ามกันกับทื่อฉลาดก็ตรงกันข้ามกันกับโง่มีปัญญาก็ตรงข้ามกันกับไม่มีปัญญานั่นแหละถามว่าถ้าเราจะมั่นใจ มันก็ตรงข้ามกันกันกบกลัวจะให้เกิดความคมมีปัญญาฉลาดหลักแหลมจะมาเลาะแหละไม่มีความเพียนเป็นคนโง่มันก็ไม่ใช่ไงมันก็ต้องมีสตาร์ตรงนี้ถึงจะไปได้ประกอบเป็นมามันคือในประการที่หนึ่งถ้ามาประการที่สองทุาผฟังนั่นคือเรื่องของศีล สีเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเติมบริไวเหมือนกับแผ่นดินสัตว์บกทุกประเภทไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดว่าเป็นมดเป็นปลวกตัวใหญ่ขนาดว่าเป็นช้างเป็นมา้าก็ต้องยืนอยู่บนพื้นดินเพราะว่าพื้นดินเนี่ยเป็นพื้นฐานของสัตว์บกทั้งหมดคุณธรรมไม่ว่าจะสติ ไม่ว่าจะสมาธิไม่ว่าจะปัญญาไม่ว่าจะโพชฌงไม่ว่าจะพละหา้าจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานแน่นอนแล้วในส่วนของเวสาราชกรณธรรมที่ตันยศศีลขึ้นมาชวยเจาะจงด้วยนี่เพราะว่าศีล น, นี่เป็นเรื่องระเบียบวินยัยเป็นเรื่องความเป็นปกติระเบียบวินยัยความเป็นปกตินั่นคืออุปนิสัยนั่นเองนุ่มฝัง เรามีนิสัยในการที่จะบ ร, ริรักความเพียรมีนิสัยในการที่จะพัฒนามีนิสัยในการที่จะปรับปรุงปัญญามีนิสัยในการที่จะทำความดีต่างๆอะนิสัยดีๆนะอุป น, นิสัยที่มันจะพัฒนาตนน่ะนี่คือหมายถึงข้อนี้ไม่ใช่ศีลธรรมดาทั่วไปในกระชา ย, ยุศีลยังมีนัยยะหมายถึงความเป็นระเบียบวินัยหมายถึงความเป็นปกติที่คุณทำเป็นประจำ จนเป็นนิสัยไงหรือแบบวินัยก็คือนิสัยอย่างหนึ่งะฉะนั้นถ้าเรามีนิสัยที่มันทําให้เราโง่ลงนิสัยที่จะให้เราแย่ลงอานนั้นไม่มีศีลเฉย์อะไรบ้างชัดเจนเลยอย่างแรกคือนอนตื่นสายแบบว่าชอบขอนอนต่อยข้างนาทีสิบนาะทีน้านี่นนิสัยไม่ดีหรือนิสัยที่บอกว่า มีคนมาพูดอะไรให้นิดหน่อยก็สวนกลับปั๊บทันทีบางคนเนี่ยโอ้ยมีนิสัยแบบพูดไม่คิด บ, บ, บ, บ, บ, บุบบับบตอบโต้ไปนี่รวดเร็ ว, ร, ว, ร, วรุนแรงร้ายกาดอันนั้นคือนิสัยปากไวาอันนั้นไม่ดีหรือบางคนก็มีนิสัยกินจุบกินจิบเห็นอะไรก่อนคว้าใส่ปากเคี้ยวมับมับมับมบอยู่เรือ่อยไม่พิจารณาให้รบอบคอบอันนั้นคือนิสัยที่ไม่ดีหมายถึงศีล หมายถึงระเบียบวินัยในข้อนี้ขอคราพร่องแล้วเราก็ต้องมีศีลในที่นี้หมายถึงระเบียบวินยัยหมายถึงนิสัยที่มันจะดีนิสัยที่มันจะดีเช่นอะไรเช่นรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีก5้านาที10นาทีหรือว่ามีนิสัยที่เออคิดแล้วค่อยพูดนิสัยที่บอกว่า ไม่โต้อตอบอะไรเข้ามากแบบว่าพูดอะไรมารุนแรงมาเรานิ่งไว้ก่อนไม่ได้สวนกลับไปเลยทันทีหรือนิสัยที่จะมีการแบ่งปันไปไหนกับเสื้ออะไรไปฝากคนมีการให้ทานนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยที่ดีเป็นศีลที่ดีเป็นระเบียบวินัยเป็นความปกติที่มาในทางที่จะสนับสนุนให้เกิดกุศลธรรม นิสัยอะไรก็ตามนะทุกฟังที่กอ่อให้เกิดกุศลธรรมเนี่ยนิสัยนั้นนั่นนะ่ะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เรามีความกลา้าที่จะทําให้เรามีความเพียรที่จะทําให้เกิดปัญญานัลนเองอย่าไปคิดว่า เ, ออเรื่องเล็กเล็ ก, ล ก, ล ก, ลกน้อย น, น, น้อยกุศลธรรมนิดหน่อยเช่นว่าเออเขาทําบุญอะไรามาแล้วเราก็อนุโมทนาด้วยนี่นิสัยแบบเนี้ยมันช่วยให้เกิดปัญญานะรวมเป็นส่วนใน คุณธรที่เราไม่เกิดความกล้าไงความกล้าสะสมต่อไปก็เป็นปัญญาขึ้นมานีคือในประการที่สองเรื่องของศีลธ้ามาประการที่สที่ท่านบอกว่าเป็นพระหูสัจจะหมายถึงเป็นพระหูสูตรคือฟังให้มากเล่าเรียนให้มากศึกษาให้มากการเล่าเรียนการศึกษามีทั้งที่เป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบ เป็นรูปแบบก็เช่นการอ่านหนังสือการไปตามคอร์สการไปตามคลาสต่างๆนั่นเป็นรูปแบบส่วนการศึกษาที่ไม่เป็นรูปแบบก็อย่างเช่นว่าเราจะตั้งกลุ่มคุยกันในโซเชียลมีเดียคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะบางคนเปิดประเด็นเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างหรือว่าคุณเสพสื่อจากการอ่านในเว็บไซต์การอ่านข้อมูลต่างๆในพระไตรปิฎก ตรงนี้ก็เป็นการศึกษาชนิดที่ไม่เป็นรูปแบบหรือการไปคุยกับครูบาอาจารย์หรือแม้ต่การฟังรายการธรรมะระบุรุ่ น, นี้ก็ใช่เหมือนกันนะบววังฟังหัวข้อในช่วงของใต้ร่มปุถิบทดวันนี้ได้ธรรมะห้าประการได้ธรรม3ประการอยู่7จนัยยะหรือได้ธรรมะอยู่7ประการสองนัยยะอันนี้เราศึกษาทำความเข้าใจหัวข้อต่างๆ เป็นประเด็นจดเก็บเอาไว้มาทบทวนอยู่เรื่อยๆก้อนนี้เป็นเหมือนกับการสั่งสมอาวุธเรื่เปรียบไว้ในอุปมาเรื่องของเมืองกายว่าปัญญาเนี่ยเป็นกำแพงในเมืองนั้นจะต้องมีเสาเขื่อนเสาหลักนั่นคือศรัทธาในเมืองนั้นจะต้องมีวิริยะคือความเพียรเปรียบเหมือนกับ กองกำลังต่างๆมีกองช่างกองม้า ก, กองพลรวถกองพลเดินเท้านั่นคือความเพียรส่วนอาวุธที่กองกําลังนั้นจะใช้จะเป็นอาวุธใช้สั้นระยะใกล้ใช้สั้นระยะไกลหอกดาบโล่พวกนี้คือการทรงสุดตะสังสมสุดตาคือในประการที่3นี้นั่นเองเพราะว่าเราจะรักษากำแพงของเราให้มีความเข้มแข็งแข็ ง, แ, ข ง, แ, ขงแรงกรองกําลังต่างๆต้องสนับสนุนกัน ซึ่งการศึกษาการเล่าเรียนนี้ท่านฟังไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบไปห้องเรียนหรือว่าฉันจบป .4 ในฉันจะมาเป็นพู้หูสูดมันจะได้เหรอได้ท่านฟังเพราะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นรูปแบบไงเป็นแบบไร้รูปแบบก็ได้เป็นผู้หูสูดได้นะเอานะสมมติว่าถ้าคนที่เรียนจบปริญญาตรีเลยอะเรียนจบด็อกเตอร์เลยอะอาจจะไม่เป็นพู้หูสูดก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าคุณ เรียนสูงสูงมีดีกรีจำธรรมะได้หมดทุกคนแล้วจะเป็นพระผู้ศูไม่ใช่นะทุกฝังเพราะว่าถ้ารู้ธรรมะเหล่านั้นแล้วเกิดใช้ไม่ถูกทางกลายไปเป็นเหมือนจับงูพิษแล้วได้รับพิษงูถูกเหมือนกัดเข้าให้อ้อันตรายหนักเลยใช้ไม่ถูกก็ถือว่าไม่เป็นบรูสูตยใช้ไม่ถูกนี่คือหมายถึงเอาไปใช้ในการทุ่มถิ่งกับคนอื่นเอาไปใช้ในการเบียดเบียนคนอื่น เอาเิเช่นในการที่จะยกตนเองแบบนี้ไม่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามว่าถ้าชาวบ้านชาวช่องธรรมด า, าดูอย่างพระมหาไพบุญเนี่ยโอ้ก็พูดก็พูดก็แค่ป ร, ริญสา3นะยังไม่ได้จบป ร, ริญสี4ป ร, ริญห้5ไม่ต้องพูดถึงป ร, ริญเก้เลยความรู้ก็เท่าป ร, ริญสา3นะทังจฉพากว่ามาเข้าใจธรรมะอะไรแบบที่ป ร, ริญเ้าเขา รู้หรอโอยแน่นอนเรื่องไวยากรณ์เรื่องคำศัพท์เนี่ยเราก็ใจมากไม่เท่าคนที่เขาศึกษาสูงอยู่แล้วใช่ปะแต่ความที่เนผู้หูสูดท่านหมายถึงความที่ว่าเราสามารถนําธรรมะนั้นมาใช้มารูปมาปรับให้เกิดกุศลธรรมในใจิตใจของเราได้นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้หูสูดจริงๆเมื่อต้องศึกษาสูงก็ได้เมื่อต้องศึกษาในรูปแบบก็ได้แต่รู้จักฟัง รู้จักเก็บเกี่ยวในสัปดาหกรอนกัปปจาได้พูดถึงสัจจานุโพธิคือวิธีการที่จะตามบรรลุซึ่งสัจจะหนึ่งใน12บสประการนั้นคือการที่เราต้องรู้จักเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงเราจะได้ฟังธรรมะไงการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงได้ฟังนั้นแนหะจะทําให้เป็นพงหูสูดนะนี่เป็นสําคัญตรงนี้ ประการที่3ความเป็นผู้หูสูด ต, ต่อมาในประการที่4คือการปรารบความเพียนท่านใช้คําว่าวิริยารำภาข้อนี้หมายถึงการลงมือทำํำคือเจาะจงลงมาเลยเพราะ ม, มีคําว่ารำภาการลงมือทําการปรารบความเพี้ยนการลงมือทําอยู่ดี ท, ทั้งทั้งที่ว่า แบบอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซรู้ร้อยเปอร์เซนไม่ได้เป็นอย่างนั้นละ่ะแต่ว่าอาศัยการลงมือทำรึงว่าคุณจะทำสมาธินี่อ่ะใ้ทำไงนะเอาก็นั่งเลยลองดูลองกำหนดลมหายใจดูลงมือทำเลยนะการลงมือทำนั่นนะ่ะนั่นน่ะมันจะเป็นตัวให้เราแบบได้ลิมลองให้เกิดความชำนาญคือคนจะ ขับรถแล้วเราจะอ่านแต่คู่มือมันจะไปได้ไงอ่ะอ้าวคุณมีความมั่นใจอยู่แล้วเหรอว่าผู้อื่นเขาขับได้ฉันก็ขับได้อ่ะโอเคฉันมีอุปนิสัยในการที่ฉันเล่าเรียนละอ่ะในประการที่สองละอ่ะแลยฉันก็ไปอ่านคู่มืออะไรต่างๆละอ่ะมีคนบอกคนสอน ม, มาละอ่ะแต่ถ้าไม่มีประการที่สี่คือลงมือขับจริงๆนี่มันจะไปทําได้ไงท่าฟังมันก็ต้องมีการลงมือทําไงการลงมือทําจริงๆตรงนั้นนั่นน่ะ นี่แหละคือวิริยารรมะการลงมือทำการปรารบความเพี้ยนซึ่งแน่นอนว่าในจุดที่เราลงมือทำเราอาจจะไม่มั่นใจอ่านนะนะกลับไปข้อหนึ่งให้มีความมั่นใจเฮ้ยตรงที่ลงมือทำนี่จะทำยังไงอ่านนะนะกลับไปข้อสให้มีศึกษามากศึกษามากกูก็ลงมือทำตามที่คุณเรมารู้มานั่นแหละรู้มาอย่างไรวรีมาอย่งไงก็ลงมือทาดูมีพื้นฐานคือศีล มีศรัทธาเป็นตัวนำจะทำให้เกิดกันลงมือทําได้เพราะฉะนั้นกลับมาในบริบทเรื่องของการสร้างอาวุธคือปัญญาใช่ไหมคุณจะทําปัญญาให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะปัญญาคืออะไรอะ่ะเอาปัญญาในการเอาตัวรอดอะเอาเธอตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะอออต้องเอาออกมาใช่ไงลงมือทําดูเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ไหนลองใช้ไอเดียนี้ดูดิเอาปรึกษากันคิดกันลงมือทํากัน อันนีน้คือลักษณะที่คุณเอาไปใช้งานดังคือต้องมีทักษะการที่รู้จักพูดรู้จักนําเสนอข้อมูลถ้าเรามีทักษะข้อนี้เวลาเราพูดไอเดียความคิดอะไรต่งตางๆออกมามันก็จะสื่อสารได้ถูกต้องลงมือทําก็มีความชัดเจนตามไอเดียที่เราสื่อสารไปนั้นแล้วไอเดียการแก้ปัญหาเรื่องระดนหนึ่งมันก็ต้องเกิดจากความมั่นใจคือศรัทธาว่าไอ้ปัญหานี้มันต้องแก้ได้นะ แต่เราแบบกลัวไปก่อนแล้วว่าปัญหานี้จะทํำยังไงแก้ไม่ได้แย่แล้วฉันทําไม่ได้ไอเดียความคิดอะไรต่างๆมันไม่ออกมาเลยจนลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่กลา้าแต่ต้องมีศรัทธาเสร็จแล้วมีนิสัยที่ถูกต้องเหมาะสมคือในประการที่2องมีการศึกษาการเรียนรู้ในข้อมูลต่างๆมาพอสมควรคือประการที่3แล้วก็ต้องลงมือทําไม่ว่าอะไรดําฝังต้องลงมือทํา ก้าพเจ้าอยากจะแยกชั้นของข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งยกตัวอย่างมาในสภาพปัจจุบันการงานของเราเช่งคุณเป็นวิศวกรหรือเป็นสถาปนิกออกแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็ให้เขาสร้างบ้านโอ้คนที่ลงมือสร้างบ้านจริงๆอะ่ะมันคือช่างที่เขาจะไปต่อสายไฟก่ออิฐฉาบ ป, ปูนเทคอนกรีพวกวิศวกรพวกสถาปนิกเนี่ยเขาไม่ได้ลงมือทำหรอกเขา ออกแบบีเฉยๆแต่ผู้ที่ลงมือทำจริงๆเนี่ยคือช่างโอเคนะแยกงานสองส่วนเอาตัวช่างเองก็ตามตั้งหวฝั่งเขาก็ต้องมีครูช่างไงครูช่างก็สอนมาไอคนตอนที่เป็นลูกมือหูอต้องไปศึกษากับอาจารย์ช่างใช่ไหมละ่ะลองฟังให้มากนี่นคือพระหุชัจเจนมีความศรัทธาว่าเอออาชีพนี่มันเลี้ยงตัวเราได้อาจารย์นี่เขาเก่งดีเราก็ไปศึกษาจากสถาบันนี้ถ้าเปนน็นรูปแบบก็ ไปโรงเรียนช่งางนอกรูปแบบก็ไปอยู่กับอาจารย์ช่างเสร็จแล้วก็เรียนความรู้มาฟังมาแล้วก็ลงมือทำนี่คือวิริยรำภาละลงมือทําในงานที่อาจารย์ช่างนั้นสอนเอาถ้ากลับมาวิศวกรหรือว่าสถาปนิกคุณก็ไปเรียนจากอาจารย์สถาปนิกไงไปเรียนจากอาจารย์วิศวะโอ้ท่านสอนมางนี้พอเราคิดว่าอาชีพนี้เลี้ยงชีพของเราได้นั่นคือมีสต้าใช่ไหม เอาไปหาท่านอยู่เป็นประจำเอาไปหาเข้าไปนั่งใกล้ท่านกสอนความรู้ให้อุปนิสัยการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้อุปถากอุปถัมภ์ดูแลครูอาจารย์นั่นก็เป็นศีลเป็นนิสัยของเราท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาให้อาจจะเป็นในรูปแบบเอาคุณก็ไปเรียนปริญญาตรี4ปีบ้าง5ปีบ้างจบมาเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิก น, นี่คคุณมีความรู้เป็นผู้สัญจา หรือนอกรูปแบบเช่นไปอยู่ในบริษัทก่อสร้างไปอยู่กับพวกวิศวกรพวกสถาปนิกเขาทํางานกันยังไงรู้แล้วเป็นผู้สูตรได้บ้างจำได้บ้างก็ลงมือทาลงมือทำนิ้มใช่นไปก่อสร้างนะแต่เขียนแบบออกแบบสร้างแบบขึ้นมาโอ้ฉันจะทดลองสร้างตึกแบบนี้ดูซิว่าลงไปใต้ดินสามชั้นขึ้นมาบนดินหนึ่งชั้น แล้วแยกออกไปอย่างงี้มีระบบปรับอากาศอย่างงี้ลองเขียนแบบลองดีไซน์ดูนั่นคือการลงมือทําตามความรู้ที่เรเรียนมาศึกษามาในแต่ละด้านแต่ละส่วนของงานของเราของเรานี่คือการรับคมปัญญานะไอตรงนี้แหละคือจุดที่สําคัญดี่ว่าลงมือทําลงมือทําแล้วตรงนี้แหละเราจะได้เห็นว่าเฮ้ที่เรารู้มาเรียนมาแล้วลงมือทําจริงเนี่ย มันมันใช่ไหมนอนานนี้นะมันถูกไหมมันได้ไหมมันเหมาะสมไหมมันจริงไหมจิมาคุณชา ป, ปูเนี่ยอาจารย์บอกให้ชาไปอย่างนี้โอเคดูมาตั้งสิบรามแล้วทำไมจะทําไม่ได้ลงมือทาดูชาไปปื๊ดอา้าวทําไมเบี้ยวอะ่ะคุณต่อสายไฟล์แบบนี้เสียบเข้ารูนี้ดูมายี่สิบรอบแล้วเนี่ยไหนลองเสียบใส่ดูเรอบแหลกได้เสียบใสรอบสองดู อา้าวมันไม่เข้าแฮะทำไมเป็ น, นยังเสียรใจรอบสามอ้าททำไมมันชอ็อตนะขอโทษเสียผิดรูปอันนี้คือความที่ว่าเราจะรู้ถึงจุดที่มันผิดรู้ถึงจุดที่มันถูกตรงนี้นะก่อนนี้สำคัญมากพอลงมือทำแล้วเราจะรู้ถึงจุดที่ผิดรู้ถึงจุดที่ถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรประโยชน์อะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่ จะได้คิดได้วิเคราะห์ได้พิจารณานั่นคือข้อที่ห้าประการที่ห้านั่นคือปัญญารอบรู้ไงห็ตนตามเป็นพระหูสูตรเนี่ยรู้อยู่แต่ยังไม่รอบตอนลงมือทำนั่นแหละถึงได้จะให้มันครบรอบแล้วก็จึงเกิดการรอบรู้คือปัญญาคือความรอบรู้เข้าใจว่าอ๋อผิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้ลงมือทำแล้วอย่างี้มันไม่ใช่อย่างงี้มันใช่ อย่างนี้มันช้าอย่างนี้มันเร็วตามดีไซน์แบบนี้แล้วคนชอบดีไซน์แบบนี้คนไม่ชอบลักษณะคนเป็นแบบนี้เหมาะสมกับสิ่งนี้ลักษณะคนเป็นอีกแบบหนึง่งเหมาะสมกับอีกแบบหนึง่งปัญญาความรอบรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นทางนี้ทางนั้นนะท่านฟังปัญญาตรงนี้เกิดจากการที่เราลงมือทําเราบางคนลงมือทําแล้วถ้าแบบว่าไม่รู้จักสังเกตทําก็ทําผิดอยู่นั่นนะ่ะทำก็ทําผิดอยู่นั่นนะ่ะ ทำกระทำผิดอยู่นั้นแหละแล้วมันจะไปฉลากรึไงปัญญาวุฒิมันจะไปเกิดได้ไงไม่ได้แต่ลงมือทําแล้วต้องรู้จักสังเกตในึประการที่2นั่นคือปัญญานี่จุดที่จะสนับสนุนตรงนี้อะไรมานะท่าฟังสัตตาใช่ไหมคือความมั่นใจศีลคือระเบียบวินัยคืออุปนิสัยคือความปกติของเราที่จะให้เกิดกุศลธรรม กาเรียต้องรู้อะไรบ้างเรียนอะไรบ้างนั่นคือพวกหูสูตรแล้วก็เอามาลงมือทำนั่นคือประการที่สจังหวะที่ลงมือทําต้องประกอบด้วยสติเพราะว่าถ้าไม่ประกอบด้วยสติมันจะไม่เห็นอะไรชัดเจนจะแยกแยะอะไรไม่ได้เพราะว่าสติตำฝังคือการแยกแยะนั่นเองสติกับความเพียรการลงมือทําต้องไปด้วยกัน สัมมาวายามะกับสมาสติในตูฟังจึงไปด้วย ก, กันกันกับในวาจาในกายในใจนี่เป็นข้อมูลที่มาในมาาาหาจารีสกสูรแต่ละข้อลเนี่ยมีปัญญาเป็นตัวนำในแต่ละข้อขอที่มีปัญญาเป็นตัวนำนั้นก็ต้องมีสัมมาวายามะและส ม, มาสติประกอบไปด้วยหมดประกอบไปด้วยหมด3มอย่างอยู่ไปด้วยกันไง สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติสัมมาทิฏฐินี่เป็นปัญญาเป็นองคํนหน้าจะเป็นตัวที่จะทะลุทะลวงเป็นตัวที่จะ break through เป็นตัวที่จะแบบอ้าหาอ๋อขึ้นมาตัวที่จะดันไปให้มันไปถูกต้องตามทางแนวนั้นคือความเพียรหรือสติเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญมากว่าถ้าเราลงมือทาแล้ว เราจะเกิดว่าออเนื่ยผิดนะนี่นะโอมันแก้ไขปรับนี่นิดนึงนี่ไออ๋อตรงเนี้ยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นี่ต้องมีสติต้องมีความเพียรความเปียนทำให้เกิดการลงมือทาใช่ไหมสติทำให้เกิดเห็นการแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่คือการแยกแยะตรงเนี้ยเป็นลักษณะที่เป็นสติอยู่แล้ว สติคือการแยกแยะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นส่วนนี้อันนี้เป็นส่วนนี้อันนี้เป็นส่วนนี้แล้วเลือกให้มันถูกการเลือกให้มันถูกนั่นคือปัญญาไงอ๋ออันนี้ผิดไม่ใช่ไม่เอาแยกแยะออกได้ไงต้องมีสติทำไมคุณถึงจะมามีสติตั้งตรงนี้ได้ต้องลงมือทาคือความเพียรวิริยะจึงต้องมีสติต่อมามีสติต่อมาแล้วแยกแยะเห็นตั้งไว้ให้ได้ถูกนั่นคือสมาธิ การแยกแยะออกทั้งไว้ถูกได้นั้นคือปัญญาทำเสร็จแล้วนั่นน่ะคือปัญญาจะมีความเข้าใจลึกซึ้งรู้จักที่จะคิดรู้จักที่จะวินิจฉัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแล้วเกิดอ๋อขึ้นมาเนี่ต้องอ๋อขึ้นมาน่น่ะนั่นคือปัญญาตรงที่ว่าแยกแยะได้ว่าโอ้นี่คือไม่ใช่อันนั้นคือใช่การแยกแยะนั้นคือสติใช่ไหม พอแยกแยะเสร็จเรียบร้อยเลือกถูกออกมาเรียบร้อยนั่นแนหะคือปัญญาปัญญาเนี่ยือเป็นตัวปรากฏขึ้นมาจากนั้ที่เรามีองค์ประกอบของการลงมือทําองค์ประกอบของความที่เป็นอารมณ์เดียวองค์ประกอบของความที่เรารู้จักแยกแยะองค์ประกอบของการที่เรามีศีลมีข้อวัดมีความศรัทธาต่างๆก็เปรียบเทียบไว้ทำหวั ง, งเหมือนกับรถยนต์เนี่นะ ก็ล้อก็อเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังระบบเบรกระบบไฟทั้งหม้อน้าอะไรต่างมีหมดใช่ปะแต่เป็น electric vehicle คือรถไฟฟ้ามันก็ต้องมีมอเตอร์โอ้หม้อน้ำไม่ต้องมีช่องเติมน้ำมันไม่ต้องใช้ก็จะมีองค์ประกอบของเขาใช่ปะที่ประกอบกันขึ้นมาประกอบกันขึ้นมาประกอบกันเสร็จแล้วออกมาเนี่ขาเรียกว่ารถยนต์นี่ ไอ้ตอนแรกรถยนต์อยู่ตรงไหนเนี่ยคือรถยน์มันไม่มีแต่ว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันไงรถยนต์เนี่ยเป็นชื่อที่เรื่องมาภายหลังใช่ไหมละ่ะนี่คือลนะักษณะที่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันแล้วเช่นเดียวกันนะท่านฟังสมาธิและปัญญานี่นะมันปรากฏขึ้นหลังจากที่เราเอาศรัทธาเอาศีลเอาความรู้เอาความเพียรต่างต่างนี่ มาประกอบกันแล้วไหนๆใ น, ในใจิตของเราเพอจิตของเราประกอบด้วยศรัทธาศีลสติความรู้ในที่นี้คือพระหูสูตรแล้วก็อาศัยการลงมือทำเข้ากันเป็นอารมณ์อันเดียวความเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นนั่นแนหะคือสมาธิใช่ไหมแล้วเกิดลงลอกกันชนิดที่ว่า แก้ปัญหาอันใดหนึ่งได้การแก้ปัญหาได้นั้นนั่นนะ่ะความรู้ซึ้งรู้ทั่วนั้นนั่นนะ่ะนั่นคือปัญญาเกิดขึ้นมาจากการประกอบกันของสิ่งต่างๆตอนแรกไม่มีนะแยกออกแยกออกแต่ละอันละอันเนี่ยไม่ใช่ปัญญานะศรัทธามไม่ใช่ปัญญาทุกฝั่งอุปณิสัยณิสัยระเบียบวินยัยพวกนี้ไม่ใช่ปัญญานะหรือการที่เราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การประพสูตรนั่นน่นะก็ไม่ใช่ปัญญานะนั่นเป็นการศึกษาเป็นพระหูโสดหรือการลงมือทำนั่นก็ไม่ใช่ปัญญาไงแต่ละจุดละจุดไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาแต่พอมาประกอบกันเสร็จปุ๊บอ้าวปัญญามันเกิดเวยสมาธิมันเกิดด้วยนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นไงทุกท่างสมาธิเนี่นยเอาตรงจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวปัญญาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงยอดตรงนี้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ว่าประกอบกันลงล็อกหมดก๊าป ลงกึ๊กปึ๊บ น, น่นปัญญาเกิดเหมือนตัวต่อเลโก้นี่ก็ไนดะ้อะตัวต่อเลโก้เป็นยังไงนะเขาก็ อ, าอ่อยชินช้นๆเนี่ยเอามาต่อต่อกันนะ่ะต่อต่อกันเสร็จปุ๊บเป็นเหลี่ยมๆเป็นสั้นบ้างยาวบ้างชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างเป็นสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างมาต่อต่อกันต่อต่อกันเอาทําไมกลายเป็นประสาทขึ้นมานี่ต้องประสาทมาจากไหนนี่ ภาษาไม่ได้อยู่ที่ชิ้นตัวต่อเลโก้นะแต่มันปรากฏขึ้นมาจากกันที่ว่าคุณรวมกันมาในลักษณะแบบนี้เรื่องงานก่อสร้างก็ได้เอาอิดเอาปูนเอาสิ่งต่างๆมาประกอบกันอิดนี่ไม่ใช่บ้านนะปูนนี่ก็ไม่ใช่บ้านนะแต่มาประกอบกันเสร็จปุ๊บดีไซน์แบบนี้เอากลายเป็นบ้านขึ้นมาได้ไงแต่ชาวช่างนี่ก็ทไไําอย่งไรอ่ะคนนี้แล้วเขามีศรัทธามีการทําอยู่เป็นประจํา เป็นนิสัยของเขาเป็นมาอย่างนี้มีความรู้ได้ศึกษามาลงมือทําดูสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเรียกบ้านได้หรือตัวอย่างหนึ่งจำฝังเรื่องของเสื้อผ้าอย่างนี้ไปต้นนะเอาได้มาได้มาสารมาทอมันก็เป็นผ้าใช่ป่ะละ่ะผ้าเสร็จแล้วผ้าจากพื้นเดียวกันเนี่ยเอามาตัดใส่จากข้างบนเราก็เด็กว่าเสือ้อ เอามาตัดใส่จากข้างร่างเราก็เรียกว่ากางเกงเสื้อกางเกงมันอยู่ที่ไหนนี่มันคือผ้าไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าเสื้อเขาเรียกว่าผ้าเขาเรียกว่ากางเกงเขาชื่อที่หลังมันปรากฏขึ้นมาได้ไงเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหานั้นมาประกอบไงนี่เปรียบเทียบกับมาแล้วฟัวงเปรียบเทียบกลับมาว่าปัญญานี่ก็ืออะไรกันนะปัญญาเนี่ยปัญญาประกอบมาจากสมาธิประกอบมาจาก ความเพียรการลงมือทําประกอบมาจากการที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาประกอบจากการที่มีศีลเป็นพื้นฐานมีศรัทธาเป็นพื้นฐานประกอบกันขึ้นม า, าเสร็จปุ๊บปัญญามันวาบขึ้นมาเองเหมือนไฟในทา ง, งเปรียบเทียบอีกนะเพื่อให้เห็นภาพเข้าใจเทียนก็อยู่ตรงนี้อากาศก็อยู่ที่นี่ทํำไมไม่มีเปลวไฟพอจุดตั๊บฟูขึ้นใช่ไหมเปลวไฟสว่างวาบขึ้นมา ออาก็ดับดูดับเสร็จปุ๊บเอาเปลวไฟหายไปไหนมันหายไปแล้วจุดใหม่ดูมันก็ติดขึ้นมาเหมือนกันนับปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ตลอดมีอยู่คงอยู่ชั่วเวลาที่เหตุปัจจัยเงื่อนไขมันประกอบกันอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกไว้ว่าญาณปัญญาของพระองค์เนี่ยในการรอบรู้สิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดแต่จะใช้คําให้ถูกก็คือมีอยู่จะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอามา เหมือนดาบของนักรบนักสู้เขาจะออกไปรบไปสู้เนี่เขาไม่ได้มาเที่ยวมาตัดกิ่งไม้ใบไม้อะไรเอามาใช้อยู่เพื่อไม่เขาควักชัก ด, ดึงออกมาใช้เฉพาะเวลาที่จะต้องใช้งานปัญญาของเรามันก็ประกอบขึ้นมาจากส่วนประกอบต่างๆแบบนี้เหมือนกันมันจะมารวมลงตรงจุดที่ว่าเราได้ลงมือทำนั่นแหละรวมลงตรงจุดที่ว่าเราก็มี ความรู้เป็นผู้สูตรมาเป็นพื้นฐานมีสีมีศรัทธาประกอบเป็นมาจนจิตเป็นอันหนึ่งเป็นอารมณ์อันเดียวเวลาปัญญามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นแล้วทีนี้เวลาปัญญาที่เกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นฟีดแบ็กลูปองนะทุกฝั่งคาว่าฟีดแบ็กลูปนี่หมายถึงผลสะท้อนกลับว่าเอ้ยที่เราทำมาเนี่ยมันใช่ไหมมันถูกไหมเป็นผลสะท้อนกลับให้เราไปปรับไปปรับอะไร ไปปรับศรัทธาปรับศีลปรับองค์ความรู้ปรับการลงมือทําของเราปรับทาําไมก็ถ้ามันไม่ถูกมันก็ต้องมีการปรับไงมันจึงเป็นลักษณะที่ว่าเป็นวงกลมหมุนไปหมุนไปเหมือนอะไรตุ้มฟังเห็นไหมเหมือนการรับมีอย่างไงใส่เข้าไปฝนเข้าไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่ส า, า, สาฝนเข้าไปฝนเข้าไปทําซ้ําทําย้ําไปเรื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันคมขึ้นมาเอง ความคมของมีดอยู่ตรงไหนคือมันไม่ใช่ว่าเหล็กมันคมไม่ใช่ว่าหินมันคมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความที่มันจัดเรียงกันแบบนี้มันจึงคมขึ้นมามันปรากฏมาภายหลังจากการที่เราทําถูกต้องตามกระบวนการปัญญานี้กักนนะพอเราลงมือทําปุ๊บได้ฟีดแบ็กลูคือเสียงผลสะท้อนกลับว่าเออมันควรจะต้องปรับอย่างงี้ทำไมอย่างงี้ทำไปใหม่ดูปรับดูทําดู ลงมือทําแล้วสตวิเราตั้งไว้ใช่ไหมมันก็จะเริ่มแยกแยะเห็นอะไรช้า ล, ลงดูตัวอย่างเรื่องการขี่จักรยานก็ได้การที่ขี่จักรยานได้เนี่ยเป็นปัญญานะในดวงว่างไอ้ตอนอ่านคู่มือการขี่จักรยานเนี่ยเฮ้มันมีหรือเปล่านะเออมันไม่มีด้วยซ้ํานะไปหาหนังสือเรื่องสอนวิธีการขี่จักรยานมันไม่มีนะ โอ้แต่อาศัยคนบอกก็แล้วกันนะ่ะอยากจะกี่ได้พ่อสอนแม่สอนหรือเพื่อนสอนเรามีศรัทธาในข้อ น, นี้ทำอยู่เป็นประจำนั่นคือมีระเบียบวินัยนั่นคือมีนิสัยที่ดีรู้ความเข้าใจว่าเออเขาต้องฝึกมาทำอย่างนี้ลงมือทำดูตอ็นตาอไมันก็ไม่ได้ล้มบ้างอะไรบ้างสังเกตดูนะมันไม่ได้ยังไงสังเกตดูนี่คือสติใช่ล่ที่จอลงไปอยู่ตรงไหน สังเกตดูวยอ๋อถ้าแบบลกลัวว่าจะล้มนี่มันจะไม่ได้นะเอาอย่าเอาจิตไปจ่อไว้ตรงนั้นไม่เอาจิตไปจ่อไว้ตรงกลัวเหมือนไปจ่อไว้กับอะไรมันก็ต้องตั้งเอาไว้ให้ดีนั่นคือสมาธิแล้วใช่ไหมละ่ะเวลาปัญญามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นนะ่ะอจุดที่เราหาจุดที่มันน่าห น, นาเ น, นี่ยเนะี่ยที่มันสมดุลแล้วนี่มันใช่แล้วเนี่ยนั่นนะ่ะคือปัญญาใช่ปะคืต้องลงมือทําลงมือทําแล้วเราจะได้ฟีดแบ็กรู เราจะรู้ถึงว่าไอ้ี่มันเอียงกันแลนะไม่ใช่ต้องปรับมางนี้โอ้นี่มากไปต้องปรับมางนี้ลักษณะการที่ว่าต้องปรับต้องหมุนเป็นวงรอบนี่แหละต้องมาฟังที่เราต้องอาศัย i n p u t ต u t าพุต้องอาศัยการสังเกตดูจากสิ่งต่างๆมาเป็นเรื่องประกอบในการที่เราจะปรับให้เหมาะสมปัญญายมันจะเกิดขึ้นวา่าขึ้นเป็นแสงสว่างขึ้นอยู่ในจิตใจของเรา เกิดขึ้นมาตอนที่จะต้องได้ใช้งานเท่านั้นถ้าคุณไม่ไลงมือขี่จักรยานความสามารถในการขี่จักรยานมันก็ไม่มีแต่พอเราลงมือขี่จักรยานความสามารถนั้นปรากฏขึ้นมาตรงนั้นทันดีปัญญาขึ้มาเกันนุ่มฟังเราจะเสริมสร้างพลังปัญญาของเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ประกอบกันมาในหมวดธรรมที่เรียกว่าเวสารัชกรณธรรม แล้วการหมุนเป็นวงรอบของเขามันไม่ได้จบเกินตรงที่ปัญญานี้เท่านั้นนะการหมุนเป็นวงรอบเนี่ยเพาเราทำได้ในบางจุดตามที่ได้ศึกษามาเล่าเรียนมาพระบรตรชาบอกท่านพระสารีบุตรบอกว่าใ้สิ่งที่เราได้เรียนมาศึกษามาแล้วเราลงมือทำแล้วเราได้เห็นว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเนี่ยนะเราจะมีความมั่นใจเราจะมีความเชื่อ เราจะมีความลงใจว่าโ อ, อ้โทษที่ได้เลยมารู้ไหมมันเป็นอย่างนี้ความเชื่อความมั่นใจนั้นน่ะคือศรัทธาพอมีความเชื่อความมั่นใจนั้นคือศรัทธาแล้วเป็นไงมันวนกลับไปข้อแรกอนันน้ำวังวงทั้งวงเบียนใหญ่วงใหญ่คือกลับไปที่ศรัทธาวงเล็กก็คือไอจุดที่เราลงมือทํานั่นนะ่ะมาเช็คดูตรวจสอบดูนั่นคือสติที่เราต้องตั้งเอาไว้ให้เกิดสมาธิ เสรแล้ววนกลับไปวงใจว่าอ๋อที่เราเรียนมารู้มาเ่มันเป็นอย่างนี้นั่นคือศรัทธายิ่งมีศรัทธาแล้วทำไงลงมือทําสิครับจะรออะไรลงมือทําก็ลงมือทําในเรื่องของศีลลงมือทําในเรื่องของสติศึกษามากเรียนให้มากขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงมันอยากจะรู้มันอยากจะลงมือมันอยากจะทํามันอยากจะให้ได้เนะี่ยความอยากในที่นี้คือความเพียร น, นะไม่ใช่ตัณหาความเพียรลงมือทําก็คือวิริออยะรำบา ลงมือทำเสร็จปุ๊บเฮ้พลาดบ้างผิด บ, งดบ้างถูกบ้างเ่อเห็นปรากการต่างๆข้อนี้ปรับเอาปรับเอานั่นคือสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้มีสติแล้วทำได้กึกขึ้นมาอ่ะโถมันเป็นอย่างนี้ความมั่นใจลงใจข้อนี้คือศรัทธาวนกลับไปอีกเป็นฟีดแบ็หมุนใบหมุนใบเหมือนรับเมียดสับไปลับไปสับไปรับไปรับไปวนใบวนใบเนี่ยเราก็มาตรวจดูตรดูมันคมหรือยัง พอหรื อ, อย่างด้านนี้พอหรื อ, อยังเอาต่อไปด้านต่อไปจุดนี้ได้ไหมจุดนี้ได้ไหมตรวจดูดดทันต์ไปวนไปวนไปนูฟังจิตใจของเราเนี่ยจะประกอบด้วยปัญญาสูงขึ้นมาทีเดียวนี่คือลักษณะที่เราจะพัฒนาปัญญาบุตรให้อาวุธคือปัญญาของเรานั้นมันมีกํำลังขึ้นมามีความคมขึ้นมาให้จิตใจของเรานั้นมีปัญญาปัญญาให้เป็นอันดับสูงสุดดูฟัง เราจะพูดแล้วนะก็คือว่าทุกอย่างแหละมันประกอบขึ้นไปให้เกิดปัญญาปราะวัติใต้ปัญญามันมันมีธรรมะทุกข้ออยู่ในนี้หมดที่มันจะสนับสนุนกันขึ้นมาแต่ปัญญาจะไม่เกิดนะแต่เพราะว่าสิ่งพื้นฐานต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หรือมันไม่ลงล็อกจกังหวะที่มันลงล็อกกรฟกันเนี่ยคือสมาธิลงล็อกกรฟกันแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะตรงนั้น ฝากไว้ทุงฝั่งในเรื่องขององค์ประกอบที่จะให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาวุฒิท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังช่วงของใต้ร่มปฏิบัติได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้ถึงโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนา ร่วมกับทางสถานีวิทยุ و, กระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าราชาพระมหาไพบูรณ์พี่ปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ Podcast, หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลบัน